มาเย็นทันเตวิสุวิสุิตเ สมาทานศีลวันนี้พวกเราคณะสตาญาติโยมมีจิตมีใจตั้งมั่นผู้ถ่ายรูปมีแฝดงดพ่อมันสายตาของลูกพ่อไม่ค่อยดีถ้าจะถ่ายไม่มีแฝดนะวันนี้นะว่าเป็นวันลําลึกถึงพ่อคุณของหลวงปู่ของพวกเราพวกเรามานะ ในงานนี้พวกเราอันดับแรกก็ต้องเป็นคิดดีทำดีพูดดีอันดับแรกก็คือคิดดีที่จิตที่เป็นกุศลที่พวกเราคิดมาจากบ้านว่าจะมาสร้างบุญสร้างกุศลมาตั้งโรงทานมาประกอบคุณงามความดีแล้วก็มาถึงสถานที่แล้วก็อันไหนคือดี เราก็จะต้องทำอทำอย่างนั้นแต่บางท่านพอเข้ามาในสถานที่แห่งนี้คิดมาพอฉาบฉวยหรือว่าอยากจะทำมิจฉาชีพอันนั้นคิดไม่ดีทำไม่ดีไม่ควรจะมีในสถานที่แห่งนี้นะคณ า, าจาย ญ, ญาติโยมลูกหลาน เพราะว่าสถานที่สถ า, านที่แห่งนี้เป็นสถ า, านที่ศักดิ์สิทธิ์คาว่าศักดิ์สิทธิ์คํานี้คืออะไรคือหลวงปู่ท่านมาสร้างวัดวาศาสนาขึ้นมาแล้วก็สร้างถาวรวัตถุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจากนั้นท่านก็ประกอบคุณงามความดีบําเพ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นพระกรรมฐานท่านจะทั้งภาวนาเมตตา ในแผ่นดินจุดนี้แห่งนี้เพราะฉะนั้นพวกลูกหลานทั้ ง, งหลายเข้ามาอยู่ในจุดนี้ควรจะประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะเรามาสร้างกุศลเพราะฉะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับคณะะทายลูกหลานทุกคนและก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันประชุมเพลิง หลวงปู่ของพวกเราวันนี้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมจากยากตรทิศกำลังหลังไหลเข้ามาเพื่อจะสร้างหรือว่ามาตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงยเพื่อถวายพระสงฆ์พุ่งในเช้าแล้วก็เลี้ยงแขกที่เป็นญาติที่รมขององค์หลวงปู่ของพวกเราเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้พวกเราได้มา ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาเป็นการแรกวันพุงนี้พวกเราก็คงจะฟังกันเป็นพิกันพิเศษเกันที่จะพระกันที่จะไปชุมเพลิงหลวงปู่ของพวกเร า, เาขณะนี้คณะสัทธาธิโจมได้ก่าปรารถนาศีลศีลห้า แต่ตามไม่จริงพวกเรามาณนะสถานที่แห่งนี้ควรจะมีศีลห้าเป็นเป็นอย่างน้อยที่พวกเราจะบูชาพระคุณของหลงปู่ของพวกเราควรจะทําความดีเพื่อบูชาพระคุณอามิชบูชาคือข้าวน้ําโภชนะอาหารหรือว่าโรงทานหรือจตุปัจจัยอันนี้เราถวายช่วยงานของท่านอันนี้คือปฏิบัติบูชาก็คือพวกเราจะต้องรักษาศีลห้า อย่างเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบอันนี้คือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าอาปฏิบัติบูชา เ, เลิศกว่าอามิจฉบูชาแต่ตามเจริงก็มีทั้งสองอย่างทั้งมีทั้งอามิจฉบูชาทั้งทำม่ทั้งปฏิบัติบูชาอย่าง ขณะนี้พวกเรากำลังจะทำปฏิบัติบูชาคือมีศีลห้าในหลวงพ่อจะได้อธิบายเรื่องศีลเพราะว่าหลวงพ่อเองไปนัสถานที่ต่างๆพอคณะสถาย ญ, ญาติโยมอาราธนาศีลอย่างประธานสงฆ์หรือว่าองค์จะแสดงธรรมอย่างหลวงพ่อเนี่ยพ่อขึ้นมาแล้วก็จับตรบัดหรือว่าให้ศีลเลยโดยที่ไม่ได้ อธิบายว่าคุณค่าของสินประโยชน์ของสินบุญกุศลของสินที่พวกเราจะรักษานั้นมีประโยชน์มีคุณค่ายัางไรโดยมากท่านจะพูดเพราะว่าสินห้าข้อพวกท่านทั้งหลายคงจะรู้คงคงจะเข้าใจแต่หลวงพ่อเองมาพิจารณาดูแล้วพวกลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็ไม่ว่ากันที่ท่านได้เคยบวชเรียน มาในพระพุทธศาสนาเป็นทิศเป็นจานเป็นเชียงมาก่อนคงจะรู้เรื่องพุทธศาสนาแต่ว่าพวกลูกหลานทุกวันนี้พอใหญ่ขึ้นมาก็เข้าโรงเรียนพอเข้าโรงเรียนกับปถมปมัธยมปริญญาตรีโถไปเรื่อยแต่เรื่องหลักของพุทธศาสนาก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้สนใจกันห่างเหินไปเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ยินได้ฟังอีกต่างหากจะรู้เรื่องของพุทธศาสนา คงจะเป็นไปได้ยากเพราะนั้นหลวงพ่อ เ, เองไปนัสถานที่ใดจึงกระตุ้นหรือว่าแนะนำบอกกล่าวเรื่องสินให้กับคณะสถาญาติโยมได้ฟังก่อนก่อนที่จะรักษาสินก่อนตอนที่จะรับสินเพราะว่าถ้าว่าพวกเรารับไปแล้ว เ, เขาพูดมาเราก็รับไปผลที่สุดเขาคุณค่าของศินเราก็ไม่รู้ ถือเป็นประเพณีเพียงแต่กลัวบาปเขาทำมาแล้วก็ททำไปเป็นระเบียบเท่านั้นเองตามไม่จริงคุณค่าของสินมีประโยชน์อย่างไรจุดนี้หลวงพ่อจะแนะนำบอกกล่าวอันดับแรกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายว่ามะยังพันเตติสระนัสหะปัญจศีลานิยาจามะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัายะติสระนัสหะ ปัญจาศีลานิยาจามะเพียงสองอย่างสมาทานขอสมาทานศีลทำไมรักษาศีลห้าอันเดียวกันทำไมจึงพูดกล่าวเป็นสองวิปัญจะและวิสูงวิสูงทำไมถ้าว่าเป็นผู้นักคิดหรือว่าคนที่ชอบนำมาคิดก็สงสัยแล้ว ส, สินสองมาตรฐานหรือเปล่าทำไมจึงขอสินยังมีวิสูงวิสูงและปัญจศีลารแต่พวกเราท่านทั้งหลายกูอย่าไปพูดอย่าไปเข้าใจเถอะเรื่องของพระของเจ้าเขาพาทำเองเอาทำไปให้มันจบจบถ้าเราไปคิดไปพูดก็ไปเดี๋ยวจะเป็นบาปแต่ตามจริงมันเป็นสองนะคะท่ า, สานสัตยาธิโยมลูกหลานนะมยังพันเต ติสระเนนสหาเนี่ยข้าพเจ้าขอสมาทานศีลทั้ง5้าข้อรวมกันคือเป็นกลุ่มแต่ว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็คือขาดทั้งหมดคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้ง5ข้ออันนี้ปัญจศีลส่วนวิสูงวิสูงนั้นข้าพเจ้ารักษาศีลไม่มั่นใจข้าพเจ้าไม่มั่นใจจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้ง5ข้อได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะรักษาเป็นข้ อ, ขอ คือถ้าว่าเราเประมาทเราไปตบยุงหรือไปฆ่ามดด้วยความเผลอเหลอของเราสินข้อที่หนึ่งก็ขาดไปก็ยังอีกยังอีกสข้อเลยพอไปเห็นรองเท้าเขาสวยกว่าตัวเองขโมยของเขาเอายังเหลือสามไปเกาะแก่สามีภรรยาคนอื่นยังเหลือสองไปโกหกคนอื่นเขายังเหลือหนึ่งไปกินเหล้าเข้าไปมดศินทั้งหข้อ นี่แหละอันนี้ก็คือวิสูงวิสูงรักนัดถายยะข้าพเจ้าจะขอรักษาศีลสมาทานศีลเป็นข้อๆกับปัญจศีลานด้ต่างกันแต่าตามให้จริงหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อแนะนําหลวงพ่อจะให้รักษาศีลปัญจศีลานจะรักษาศีลทั้งทีควรจะมีความสัดจริงในตัวเองแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้ง5ข้เอเพราะเราจะทําอะไรทั้งทีเราก็ต้องมีความจริงจังและจริงใจ จึงจะถูกต้องนะอันนี้ก็คือการขอสมาทานศีลจากนั้นก็หลวงพ่อเป็นผู้พานาว่านะโมตัสสะพระวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทำไมเราจะรักษาศีลทำไมจึงแรีว่านะโมคำว่านะโมคำนี้คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น คือศีลห้าเป็นศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติให้มีศีลเพราะนั้นพวกเราจึงสมาทานศีลเออจก่อนที่จะมาทานศีลเราควรจะว่านะโมสะก่อนคือนอบน้อมต้นศาสดาต้นพระศาสนาคือต้นความคิดที่ศีลห้าเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเพราะนั้นพวกเราจึงนอบน้อม ถึงพระพุทธทเจ้าซะก่อนจึงจะรับสมาทานสิน้นจากนั้นเราก็พุทธังธรรมังสังคังสรณาางขจฉามิข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพุทธังคือพระพุทธทเจ้าพระพุทธทเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระ อ, องค์เองจากนั้นก็ประกาศพระธรรมพระธรรมคือคาสอนของพระพุทธทเจ้า เราได้ยินพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นจริงทำคําสอนของพระพุทธเจ้า เ, เป็นของที่ประกาศออกมาแล้วมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเราจึงนอบน้อมยอมรับในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงยึดพระธรรมเป็นสาระเป็นที่พึ่งตาติยามติสงั ง, สงขังสังขังสารนังขจามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์สาวก ของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาเมตนมาแนะนําพวกเราพวกเราก็คงจะไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งจึงยึดพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจึงวัดไตรสารณคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์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 ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรเพราะเราฆ่าเขาแต่เมื่อเขาขัามาฆ่าเราเล่ะฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศ์สาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจเราทุกข์ใจในเมื่อเราไปทำให้กับเขา เขากระทุกใจเสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันการฆ่ากันไม่เป็นผลดีเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีอย่าขโมยคนอื่นของคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็รู้สึกเสียใจถ้าเขามาขโมยของเราก็เช่นเดียวกัน ก็เราก็เสียใจเหมือนกันถ้าเราเขาไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศ์สากนาญาติของเขาไปเรียกค่าไทยถ้ามาเจอกับเราเราเสียใจไหมเราเสียใจถ้าไปเจอกับเขาล่ะเขาเสียใจไหมเขาเสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าสินฆาการขโมยซึ่งกันและกันไม่เป็นผลดีทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้ ท่านจึงบัญญัติสินข้อที่สองอย่าขโมยกันข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเว ร, รมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนหวงแหนถ้าเราของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเ อ, อไม่เขาไม่เคารพสิทธิ์ของเราเราก็เสียใจยเขาก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจยเช่นเดียวกัน เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าการไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนเพราะต่างคนก็ต่างมีครอบครัวสามีภรรยาเป็นที่รักสงวนห่วงแหนของแต่ละคนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สมให้พวกเราสํารวมระวังข้อที่สี่มุสาวาทาเวรามณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุน โกหกหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันอย่างที่เขาเอาตะกัว่วมาย้อมให้เป็นสีทองแล้วเขาบอกว่าทองคาเราก็ซื้อคิดว่ามันเป็นทองพอที่ไหนได้พอสํารวจพิสูจน์ดูแล้วมันเป็นตะกัว่วเราเสียใจยไหมเสียใจยสมมติว่าเขาเขียนกระดาษแผน่นหนึ่งเป็นเช็คให้เรา ให้เราวัดนี่เป็นเงินเท่านั้นเท่านี้เป็นเช็คแต่พอเอาเข้าจริงไม่มีเงินในบัญชีเราเสียใจยไหมเขาโกหกให้กับเราเราก็เสียใจยถ้าคนอื่นถ้าเราไปทําให้คนอื่นเขาล่ะเขาก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นการโกหกกันไม่เป็นผลดีให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่หสุราเมีรยัมัชัปปามา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราขาดจติตเมื่อคนขาดจติตแล้วทำความชั่วในทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ล่าราบประลวสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะเหตุอะไรเพราะคนขาดจติตเพราะนั้นเมื่อคนขาดจติตแล้วทำความชั่วเสียหายได้ เพราะนั้นเราก็รู้ว่าการดื่มสุราเรียว่าการเสพคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของหมื่นเมาทั้งหลายทั้งดื่มและเสพเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายระวังสินข้อที่หเนีก็เป็นศินอันตรายหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าสข้อที่หเหมือนถ้าเป็นอาคารหรือเป็นสารานก็คือสังกสี หลวงพ่อบอกนะสังกสีหรือกระบ้วงหรือกระเบื้องมุงหลังคาเพราะเหตุไรถ้าหากว่าอาคารไม่มีสังกสีไม่มีกระเบื้องเวลาฝนตกแดดออกลงมาพื้นเสียหายหมดเออเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มีสังกสีไม่มีกระเบื้องมุงนี้ก็เหมือนกันศินข้อที่5คือศินที่มีสติสัมปชัญญะ คนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนี่แหละสินห้าของพระพุทธเจ้ามิได้มิใช่อยู่อื่นที่ไกลเขาเราเราเขาเขาเราถ้าหากว่าเราต้องการความสุขก็อย่าไปทําจะไปเบียดเบียนจะไปทําให้คนอื่นเขาถ้าเขาก็เช่นเดียวกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้แหละคือศิน ห้าของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราพัฒนรราญาติโยมลูกหลานทุกคนเมื่อรู้คุณค่าของศีลห้าแล้วต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีลนะโมตัสสะปะกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสามพุทธา พุทางสระนางคัชามีทำมังสระนางคัชามิสังฆังสระนางคัชามีทุติยมปีพุดทางสระนางคัชามิ ทุติยามปิธรรมมังสารังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารังคัจฉามิธุติยามปิผุดทางสารังคัจฉามิตาติยามปิพุททางสารังคัจฉามิ ทติยมีพุทธังสรังคัจฉามิตาติยามปีธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยามปสังขัสระนคัามิิสังขังสรนังคัจฉามิสระนามานังนิติกัง ปานาทิปาตาเวรมะนีสิกขาปัทังสัมาทิยามิปาาทิปตาเวรมะีสิกขาปทังสมาทิยามิอธินาธานาเวรมะณีสิกขาปทังสมมาทิยามิ กามิสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปทังสมาธิามิ โมศาวาธาเวรมะนีสิกขาปะทางสัมาทิยามิโมศาวาธาเวรมะีสิกขาปะทางสัมาทิยามิสุราเมรยมชะปมาทัตทานาเวรมะนีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิ สุตระนีเรีกอมาตตานิรปัญสกาัสมยานิอิมานปัญจสิกาปัญนิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทา สีเลนาเนผูติยันติตัสมาสีหลังวิโสทายพระ ม, มากุกาิิสหมปิปนจรันิรพ ย, า, ยาสันินัสสปปาาิ ัคณะ ท, าทาาาศทาญาดโยมตั้งใจฟังขณะที่หลวงพ่อว่านหลวงพ่อกันแล้วกันนะคณะทธาญาดโยมลูกหลานนะมองมองดูเลขผู้ที่ที่มีอายุมากกว่าหลวงพ่อเนี่ยคงจะน้อยอยู่เหมือนกันนะเพราะหลวงพ่ออายุเจ็ดิบแล้วนะลูกหลานไม่ใช่พ้ะน้อยพนมนะ เพราะนั้นหลวงพอ่อจึงเรียกหลวงพ่อไปในสถานที่ใดแต่ถึงยังไงถ้าว่าเป็นผู้มีอายุมากกว่าก็ถือว่าเป็นพี่ๆเอ่เป็นพี่ๆหลวงพ่อก็แล้วกันนะตอนนั้นเวลาขณะที่ฟังเทศหรือหลวงพ่อกําลังแสดงธรรมถ้าเป็นไปได้ไม่ถ้าเป็นไปได้แหละงดในการถ่ายรูปที่มีแฝดนะ ง, งดซะก่อนพอเวลาหลวงพ่อพูดจบแล้วจะถ่ายหลวงพ่อก็ไม่ว่ากัน แต่นี่ขณะที่ขณะหลวงพ่อกําลังพูดกําลังแสดงธรรมมันเสียสมาธิในการพูดนะเพราะว่าที่พูดแบบพระป่าหรือว่าแสดงธรรมแบบครูบาอาจารย์พระป่าพระกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่อ่านตํารามาพูดกันออกมาทางด้านจิตใจออกมาจากจิตจากใจจริงเงพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดเห็นไหมหลวงพ่อจะแสดงธรรมหลวงพ่อจะหลับตาซะก่อนพูดออกมาจากใจจริงเงพราะฉะนั้นเวลา ถ่ายรูปออกมามันแฟดมันเข้าไปในตา เ, เสียสมาธิในการแสดงธรรม เ, เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงจดถ้าว่าพวกเราทันใ น, ในสมัยหลวงตามหาบัวยังยังมีอยู่พวกเราคงจะได้เจอนะถ้าใครไปถ่ายรูปก็แปว่าเจอดีกันหลวงตาจะไล่ตะเพิดออกมาแต่หลวงพ่อก็ไปถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าตามไม่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ه, เพราะว่าครูบาอาจารย์พระกรรมฐานโดยมากท่านแสดงธรรมท่านจะออกมาออกมาจากใจจริงที่แสดงเพราะนั้นการที่ผู้ที่ไม่ตั้งใจฟังคนก็ไม่ควรจะเข้ามาอยู่ใกล้มาทําไมเพราะเราไม่อยากจะฟังก็อยู่ อ, อยู่ข้างนอกก็ไดเ้เพราะนั้นผู้ที่เข้ามาฟังก็ตั้งใจฟังแล้วก็ผู้ใดมีโทรศัพท์ถ้ามีโทรศัพท์ขึ้นมาดังขึ้นมาก็ควรจะ ออกไปคุยกันข้างนอกออไม่ใช่มันจะมาคุยการแข่งกันกันกบครูบาอาจารย์ที่ท่านกำลังแสดงธรรมแลการเทศเพราะเขาไม่ต้องการผู้ที่มาฟังเขาไม่ต้องการฟังเราเพราะเราพวกเราก็ต้องไปฟังออกไปพูดพูดคุยข้างนอกออมันเสียมารยาท เ, เพราะเหตุไรเพราะว่าเรามาคุยโทรศัพท์ต่อหน้าสาธารณชน ไม่รู้จักกาลเทศการสถานที่อย่างนี้เรามาเพื่อฟังเทศเราไม่ได้มาอย่างอื่นใครๆก็มามาเพื่อฟังธรรมไม่ใช่มาอย่างอื่นเพราะนั้นขณะทุกท่านที่มานั่งเขามาเพื่อฟังธรรมเทศนาตั้งใจฟังเพราะนั้นเราผูลูกหลานทุกคนที่เข้ามาที่นี่นะ ถ้าปิดไปได้นะปิดโทรศัพท์ถ้าไม่ปิดก็แบบสั่นสะเทือนออกไปคุยกันข้างนอกถ้ามีปัญหาที่มันจะต้องมีความจาเป็นจะต้องคุยกันเพราะการฟังธรมธรมธรรมเทศนาและการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจจีกนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังเสียงอัดเสียงธรรมฟังหลักเหตุผลพวกเราจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการฟังธรรมนี่แหละการฟังมีประโยชน์ถ้าเราตั้งใจฟัง ส, สุสังและัสะเตปัญญาผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาสุดามามะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรพบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่ท่านแสดงไปเนี่ยนี่แหละอันนี้ว่าจินตามยะปัญญาเคยใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองอีกที่นึงอันนี้ว่าจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจ ผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณาเรื่องเราเรื่องนั้นๆจะตัดสินใจได้เด็ดขาดเพราะว่ามันผ่านจิตใจผ่านความสงบแล้วอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาตหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เช่นเดียวกันท่านต้องทาสมาธิก่อนเมื่อทำทำสมาธิจิตใจในิ่ง เมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็นำจิตใจที่ผ่านความสงบผ่านความนิ่งนั้นมาพิจารณาการกล้องไตรตรองเหตุและผลก็รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นนนี่เราภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำให้จิตใจสงบสก่อนผ่านความสงบสก่อนจึงนะมามาพิจารณาคือปัญญาของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้คณะสัตยาธิโยมทุกหมู่เหล่าทุกทกท่านนะ เมื่อฟังก็ตั้งใจฟังถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังจะเฉลียวฉลาดขึ้นมานั้นคงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยล่ะคนไม่ได้ศึกษาแล้วจะฉลาดขึ้นมาได้มีแต่ชื่อว่านายฉลาดนางฉลาดนะน่ะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาล่ะโง่ทั้งนั้นแหละเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตั้งใจฟังหลวงพ่อจะนําหลักเทศผลหลังนําหลักทำคําสอนของพระพุทธศาสนา พอพระหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพพระธรรมมขันธ์หลวงพ่อจะยกมาทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมมขันธ์องค์เป็นไปไม่ได้องค์ไหนก็ตามจะยกมาทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์มาให้พวกเราฟังคงจะไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละท่านจะหยิบเอามาแต่ละเรื่องแต่ละเหตุผลมาแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราเมื่อได้ฟังครั้งนี้บ้างครั้งนั้นบ้างหลายครั้งต่อหลายหน พอกพูนสติปัญญาของพวกเราพวกเราก็จะรู้เรื่องของพุทธะแล้วจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราก็เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีต่อไปนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นจะกล่าวเข้าธรรมะแล้วนะที่นี่นะนะโมตัสสะปะกวะโตอะราหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะมรรณะเมภาวิสติขยะวิยธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาตีติ วันนี้พวกคณะทายาิโยมลูกหลานได้มาร่วมกันจะประกอบกันจะประกอบศาสนาพิธีวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันที่23มกราคมพุทธศักราช2558วันพรุ่งนี้เป็นวันที่24เป็นวันประชุมเพลิงของหลวงปู่สาย ที่ท่านมรณาภาพลงไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะนั้นวันนี้ถือว่าคณะสัายาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าได้มารวมกันณวัดป่าพรมวิหารตำบลโนโนเมืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลมพูแล้วก็มีการทำพิธีตอนย่ำค่ำหัวค่ำวันนี้ได้มารวมกัน เพื่อไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลต่อไปก็คงจะสัตฟังพระอภิธรรมในการประชุมเพิงอจริละสังขารพระครูเขมะสารสุธีวงเล็บหลวงปู่สายเขมะธรรมโมนะวันที่24วันพุ่งนี้คนนั้นวันนี้พวกเราคณะจะทธาญาติโยมลูกหลานได้มาพร้อมกัน มองดูแล้วก็ล้นหลามเต็มสถานที่ประลำพิธีแล้วก็วันพุ่งนี้คิดว่าคงจะหนาแน่นเพราะว่าพวกเราได้มาร่วมงานถือว่าหลวงปู่ของเราเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ท่านมีอายุพรรษามากอายุ9ก้าสิบกว่าปีแต่ท่านบวชเมื่ออายุอายุมากแล้ว อายุเมื่อห0ิกว่าปีท่านบวชแล้วก็อายุ90กว่าปีพรรษาของท่านก็สากว่าพรรษาหรือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่จากนั้นท่านก็ได้ทำคุณูปการแนะนำสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนเป็นที่รู้จักทั่วนหน้ากันเป็นกันเป็นพระกรรมฐานามาโดยตลอดจากนั้นท่านก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆายท่าน ยังแต่หลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบัวหลวงปูส่สิงทองหลวงปู่จวนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆจากนั้นท่านเหล่านั้นก็ได้ล่วงเลยละสังขารไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาถึงท่านจะบวชเมื่ออายุแก่มีอายุมากท่านก็เข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์เป็นที่ ตั้งอกตั้งใจเป็นเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงมีปฏิปทาที่สวยงามในการดําเนินชีวิตหรือว่าที่เป็นพระที่เป็นนักบวชของท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาติโยมลูกหลานที่มาบําเพ็ญกองการรักกุศลในวันนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดี พอพวกเราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลกับครูบาอาจารย์ที่เป็นแนวแถวถ้าจะว่าไปลก็คือท่านอยู่แนวแถวของสายหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไปนักสถานที่ใดหลวงพ่อจะแนะนําพี่น้องประชาชนจัตตาาญาติโยมลูกหลานให้เดินตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนท่านเออ แนะนำสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิของท่านอย่างไรถ้าพวกเราได้ศึกษาประวัติของหลวงปู่มั่นแล้วก็ท ร, รมลิกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปูอออ่อ่อนหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปูตง่ต่างๆที่เป็นสิทธิอนุสิทธิของหลวงปู่มั่นแล้วพวกเราจะยึดแนวแถวหรือว่ารู้แนวทาง ว่าหลวงปู่มั่นท่านแนะนำอย่างไรในการดารงชีวิตเรื่องศีลท่านปฏิให้ปฏิบัติอย่างไรเรื่องสมาธิท่านให้ปฏิบัติอย่างไรเรื่องภาวนาวิปัสสนาท่านให้เดินอย่างไรถ้าพวกเราได้อ่านแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์แล้วพวกเราจะเข้าใจในแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเพราะนั้นหลวงพ่อเองไม่ ไ, มได้ไม่ใช่ว่าใจแคบให้ยึดแต่แนวแถวหลวงปู่มั่นไม่ใช่เพราะเราศึกษามาสายนี้มาสายแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเหมือนกับเราเราเรียนมาทางกฎหมายเราจะไ ป, ไปสอนบัญชีได้ยังไงเพราะไม่ใช่หน้าที่เราไม่รู้ สอนกัสอนผิดผิดถูกถูกเราปกาคงไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะนั้นเราศึกษามาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเราก็จะพยายามบอกกล่าวแนะนำว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสิทยญาวนวิสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติตนดังต่อไปนี้หลวงปู่มั่นท่านสอนยังไงท่านสอนให้มีศีลศีราจารวัตท่านบอกว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของพุท ธ, ธะก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วศินและวินัยนั่นและจะเป็นาศาสดาของพวกท่านทั้งหลายลุงปู่มัน่นทวันนี่นะให้ฟังเอาไว้ศินจะเป็นอาบัติเล็กน้อยก็าตามอย่าไปมองข้ามเพราะสินและวินัยเล็กน้อยนั่นแหละจะเป็นผงทุลีจะทําให้จิตทําให้ปัญญาของเราฝ้าฟางมองไม่เห็นสัจธรรม เหมือนกับขอนยูงขอนยางนะ่ะมันจะไม่เข้าตาคนหรอกมันผงทุลีเล็กๆนั่นนะเป็นฝุ่นนั่นอนะ่ะมันเข้าตาคนแล้วมันจะมองไม่เห็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นศินท่านไม่ให้มองข้ามถ้าภิกษุมีศินมีหิริมีโอดตะปะศินคือความละอายโอดตะปะคือความกลัวต่อบาปอยู่ในชุมชนหรือภาคณะสงฆ์กลุ่มใดคณะศรัทธาญาติโยมกลุ่มใด ชุมชนกลุ่มนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือสินคือกฎระเบียบกฎระเบียบคือศีลาจารวัตพวกเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยคนไหนที่มีธรรมท่านไม่มีสินก็ได้ไม่ใช่เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าคนใดก็ตามไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองคนมันคนนั้นจะเป็นที่ยอมรับเป็นมีผู้มีจริยธรรมที่ดีเป็นไปไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าไม่ได้ทำไม่ทำประพฤติไม่ทำตัวไม่ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองไปนสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายเพราะนั้นพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสินแล้วไปนักสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของคณะหมู่คณะสงฆ์ทั่วนหน้ากันอันนี้คือสินคือกฎระเบียบเรื่อง สมาธิธรรมหลวงปู่มั่นท่านก็สอนหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าสมาธิธรรมให้สอนเรื่องภาวนาพุทธโธครบแต่ถ้าเวลาจะทําจิตใจให้สงบให้ภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคือในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราเราท่านทั้งหลายเมื่อฟังธรรมคาสอนของหลวงปู่มั่นแล้ว เราก็ควรจะย้อนไปถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ท่านหนีหนีออกจากเวียงวังเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ออกจากกรุงกะิลพัทเมื่ออายุ29ปีไปบาเพ็ญอยู่ในป่าไปบวช ท, ที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีไปทรงผนวดคือไปบวชจากนั้นท่านก็บาเพ็ญตะปาทำคอเป็นผู้มีศีล อยู่ในป่าดงพงไพตามลำพังถึงหกปีจากนั้นก็มีปัญจวัคคีทั้งห้าที่เข้าไปภายหลังเข้าไปปนนิบัติเข้าไปดูแรบสิท ธ, ธัตถะแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้สนใจใส่ใจในความคิดของพระองค์คิดยังไงพระองค์ก็ปฏิบัติจนถึงอดภักยาหารถึง49วันอย่างพวกเราเห็นร่างกายของพระพุทธองค์ที่บาเพ็ญทุก ก, กิริยา อันนี้ก็คือบําเพ็ญของพระพุทธเจ้าแต่ว่าการบําเพ็ญของพระพุทธเจ้าถึงหกปีนั้นท่านลองผิดลองถูกเหมือนกับท่านลองวิทยาศาสตร์หรือลองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องการอย่างเราต้องการพืชผลเมื่อพูดพุ่งผักผลไม้ต้องก็เป็นทดลองดูจะทํำยังไงจึงจะได้ผลดีแต่นี้พระพุทธเจ้าสิทธัตถะท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นสิทธัตถาท่านก็ไปทดลอง อยู่ในป่าดงพงไพยถึงหกปีแต่วันที่สูตรสำเร็จในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านทำอย่างไรอันนี้แหละวันสูตรสำเร็จให้พวกเราคณะทศไทยญาติโยมทัท้งหลายฟังจุดนี้เจุ ด, จ, ดจุดที่สูตรสำเร็จในวันนั้นท่านทำอย่างไงพระพุทธองค์พระอาทิตย์ยังไม่อจ ด, ดงคือยังไม่ตกดินนายโสธิยะ ได้นำหญ้าคานายโสธิยะได้ไปตัดไปเกี่ยวหญ้าขาหาบมาผ่านชิติธาตานั่งอยู่ตามลําพังอยู่ที่โคลนต้นโพคงจะเห็นว่าชิตติธาตานั่งอยู่โคลนต้นโพไม่สะดวกไม่สบายเพราะว่าพื้นไม่เรียบร่านายโสธิยะเกิดจัดขาแอบน้อมเอาญ่าคาเข้าไปมอบให้ถวายให้แปดกำมือ เมื่อท่านสิทธะได้ยาาคาจากนายโสทยะแดกำมือท่านก็หามุมสงบท่านก็ได้มุมทางทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นท่านก็เอาต้นโพเอายาาคาเกลี่ยที่ลงที่โคลนต้นโพ ป, ประสานกันประสานหัวประสานหางจากนั้นก็เป็นอาสนะจากนั้นท่านก็ขึ้นไปนั่งนั่งบนอาสนะที่ยาาคาแปดกำมือ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 อันนี้คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนนั้นจากนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังไม่อัดจดงพระองค์พระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตเมื่อพระไทยใจของพระองค์รวมสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาอ ว่าปุเพอิวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละอันนี้ก็จุดหนึ่งเหมือนกันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราฟังเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรเพราะว่าพระพุทธองค์นั่งขัดสมาธิพ อ, อพระทัยใจพระองค์รวมสงบแล้วละลึกชาติผลหลังได้ถ้าคนเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียว จะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรแต่ทําไมเราจึงระลึกชาติไม่ได้เพราะไม่มีฌานไม่มีสมาธิพระองค์ได้มีฌานได้มีสมาธิเมื่อมีฌานมีสมาธิแล้วท่านก็ระลึกชาติผลหลังได้เรามาจากไหนมาที่นี่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาจังที่นี่มาจากไหนมาจากบ้านแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันมาแต่ละหนแห่งละโหนไม่เหมือนกันมานั่งอยู่ที่นี่คือ ที่ผ่านมาเนะ่ยคืออดีตที่ผ่านมาอันนี้ก็เหมือนกันนี่ว่าปุบเพนนิว่าสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้อันนี้คือตอนหัวค่าพอถึงเที่ยงคืนพระพุทธองค์ไม่ลดละมองดูสปปรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างหลวงพ่อนั่งอยู่ที่นี่นะที่แรกมองตนเองก่อนว่าข้านี่มาจากไหนมาจากอุรามาจากวัดป่านาคําน้อย ออพอมองตัวเองเสร็จแล้วมองดูคณะสัตธาญาณโยมที่นั่งแต่ละคนพวกเราท่านทั้งหลายมาจากไหนอันนี้พระองค์ก็มองดูอีกเฮมองโอมาจากที่คนลรแหงลันหนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันคนมานั่งด้วยกันทําไมไม่เหมือนกันคนหนึ่งรูปร่างกลางตัวก็ไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันความสุขความร่ํารวยก็ไม่เหมือนกัน ทำไมคนจึงไม่เหมือนกันทั้งที่เป็นคนเหมือนกันพระพองค์บอกท่านมองมองมองดูแล้วท่านว่กกรรมกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันกรรมเป็นการจำแนกสัตว์ให้เกิดแตกแตกต่างกันจะาอจุตูปะปาตยานการเกิดและการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายแตกแตกต่างกันสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทา ถ้าใครทำกรรมดีคนนั้นก็จะไปในทางที่ดีถ้าใครทำกรรมชั่วคนนั้นก็จะไปในทางชั่วเพราะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตัดจะรู้เป็นพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านจึงให้โอวาท ป, ปฏติโมกพิษูวาอากตังลุ ก, กตังเส้ยโยปัจชาตปติดุกตังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อท่านทำกรรมชั่วทั้งสามทวารแล้วกรรมชั่วให้ผลพวกท่าน ang, ทั้งหลายจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง น, <czyli> นี่แหละคือการทำกรรมชั่วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนนะไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนนะถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง น, นี่แหละพระพุทธองค์ท่านมองดูแล้วที่พวกเรามาอยู่เดี๋ยวนี้บางคนก็พิกลพิการ เก็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะกรรมในอดีตส่งให้ผลในปัจจุบันเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าการทำกรรมดีจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้คณะทาญาิโยมลูกหลานทุกคนให้ประกอบแต่คุณงามความดีอย่าไปคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วถ้าพวกเราตั้งตั้งตนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเราจะประสบแต่ความสุขความ เจริญหรืวความสุขความเย็นใจอันนี้คือคือตอนเที่ยงคืนพออวนสว่างพระพุทธองค์ก็มองดูพระองค์อีกว่าดวงใจของเรานี่ใจของเรานี่มาจากไหนต้นตอของดวงใจของเราจากไหนเกิดมาจากไหนใจของเราเกิดมาจากไหนที่มันมาวกวนเวียนเวียน่า ว, วตายเกิดอย่าพระพุทธองค์ก็ย้อนย้อนย้อนไปดูไปเห็นต้นตอของ ที่เกิดของใจก็คืออวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามารูปังจนถึงโสรกปริเทวทุกขโทมณสุอุปายาตใจดวงนี้มาเกิดมาจากาตัวอวิชชาคือความโง่ในเมื่อความโง่ขึ้นมาแล้วก็เป็นสังขารเป็นวิญญาณจนถึงโสรกปริเทวทุกขโทมณสุสิ่งที่ทําทําให้เกิด เวียนไหวตายเกิดเพราะอะไรก็เพราะว่าใจดวงนี้มีกิเลสคือราคะโทสะโมหะอยู่ในอยู่ในตัวนี้เพราะนั้นใจดวงนี้จึงเกิดเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเพราะกิเลสพาหมุนเวียนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาการกลองไตรตรองเหตุและผลเมื่อท่านการกรองไตรตรองเหตุและผลท่านชำระใจ ถอดถอนกิเลสออกจากพระไัยใจขององค์ใจขององค์หมดจดจากกิเลสพระองค์จึงประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วสิ่งที่เราทำให้หมุนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพ ในวันเดือนหกเพ็นนั้นคือท่านได้สามทำสมอย่างาปุบเพนิวาสานุจติญาณละลึกชาติผลหลังได้จุตูปปตาตาญาณการจุติของสัพสัตทั้งหลายที่ท่านมองออกไปดูสัพสัตทั้งหลายอา่อาสาวัคยายานท่านมองเข้ามาหาตัวท่านอีกว่าเรานี่มาจากไหนมามาถึงจงวกบุญเวียนอยู่อย่างนี้ท่านก็รู้ได้ว่ามาจากตัวอวิชชา จากนั้นท่านกดใช้ตปะปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดที่ทำให้พระทายใจของพงบริิุหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนคือเป็นอันนี้คือกระจกเงาสำหรับให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างไรจากนั้นหลวงปู่มั่นที่เป็นสิทธิ์เจ้สิทธิ์เป็นสาว ก, กคือเป็นผู้สดับ ได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านบอกว่าถ้าหาว่าบริกรรมพุทธมีแต่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพุทธะมันหลุดมันหล่นมันหลงมันเผลอได้ง่ายควรจะสำทับด้วยกับสำทับพุทธโถเข้าไปด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถคือใช้สองอย่างหายใจเข้าด้วยและก็พุทธโถด้วย อันนี้คือหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนจากนั้นหลวงองค์หลวงตามหาบัวท่านก็ยอมรับท่านว่าตอ ก, ก่อนหน้านั้นท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกับพุทธะมันเผลอได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันลืมได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านก็นยึดแนวแถวที่หลวงปู่มั่นท่านสอนว่าหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทนะจากนั้นองค์หลวงตาท่านก็ยอมรับว่า เป็นกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเนี่ยเป็นทางที่ถูกต้องอันนี้ก็คือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านแนะนำสั่งสอนเพราะฉะนั้นขอให้คณะสิทธญาณุสิทธ์ศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายให้ภาวนายึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะเหตุว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่นับตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปเมื่อท่านได้พระธาชทานเพิงสรีระสังขารของท่านอัธิธาต์ของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้รู้ได้เห็นต่ําตาต่ําใจของพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายน่าจะมั่นใจได้ว่านี้คือสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายพ่อขอแม่ครูบาอาจารย์คือสายของพระอรหันต์ที่ท่านพาดําเนินดําเนินอย่างไรเราก็ต้องสืบสอบถามอีกว่าการปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มิใช่จะเพียงกําหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมีอีกอั น, นั้นคือสมถ tha ท, ทจิตใจให้สงบแต่จะต้องเดินวิปัสสนาท่านเดินยังไงเดินวิปัสสนาจากนั้นท่านก็พานั่งภาวนาเมื่อท่านภาวนาจิตใจสงบ พอจิตใจสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งท่านจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันร่างกายเนี่ยคือร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นเนี่ใจนี่คือความนึกคิดถ้าจะเปรียบเทียบหลวงพ่อเองเลยเปรียบเทียบให้คณะัตธาญาตโยมเพราะทุกวันนี้เราจะไปท่าสานที่ใดเราใช้รถหลวงพ่อจะเปรียบเทียบว่าร่างกายของพวกเราเหมือนกับรถ แต่จิตใจคือนามธรรมตัวผู้รู้ๆอย่างนั้นอ่ะคือคนขับรถคือโซเฟอร์ถ้าหากว่าโซเฟอร์ไม่คิดไม่ขับรถคันนี้รถคันนี้จะไปได้อย่างไรจะไปที่ไหนได้เพราะฉะนั้นพวกเรามีโซเฟอร์จึงจึงได้ขับรถคันนี้ไปในะสถานที่ต่างๆแต่ถ้าว่าโซเฟอร์คนนี้โซเฟอร์รถแต่ละคันนิสัย แปกแตกต่างกันถ้าว่าโซเฟอร์ชอบกินเหล้าเมาเมือ่อขับรถคันนี้รถคันนี้ก็เกเรไปด้วยเหมือนกันถ้าว่าโซเฟอร์มีมารยาทดีขึ้นขับรถรถคันนั้นก็เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่อันตรายเพราะอะไรเพราะว่ารถคันนั้นได้รับการอบรมหรือว่าโซเฟอร์เป็นโซเฟอร์ดีรับผิดชอบนี้ก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์โซเฟอร์ทั้งหลายควรจะมีศีลมีธรรมควรจะมีการนั่งสมาธิควรจะมีการพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลควรจะศึกษาคุณธรรมศีลธร ร, รมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจคือให้โซเฟอร์เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้ามุกโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมที่ดีแล้ว รถคันนี้ก็จะไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องโซโฟเฟอร์เรื่องของใจเป็นอันดับหนึ่งท่านจึงยกเป็นพระบาลีว่ามโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจสรุปแล้วก็คือในร่างกายของเรานี่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นผู้พานำเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมประชุมและมาฟังธรรมเทศนาในวันนี้มาอบรมทางด้านจิตใจอยากจะให้ใจของเราเป็นคนดีโซโฟเฟอร์เป็นคนดีจึงมีศีลห้าเป็นด่านแรกคืออบรมทางด้านจิตใจเมื่อเรามีศีลห้าดีแล้วใจของเราก็จะเป็นผู้อยู่ในกรอบอยู่ในศีล เ, เมื่ออยู่ในศีลแล้วก็อยู่ในธรรม จากนั้นพวกเราก็จะได้ไปในเดินไปในทางที่ถูกต้องถูกต้องมีหลายระดับการประพฤติปฏิบัติธรรมมีระดับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่มีหลายระดับเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะศึกษาอันดับแรกก็คือเป็นผู้มีศีลอย่างที่หลวพ่อได้พูดเบื้องตน้นจากนั้นก็มีสมาธิที่พระพุทธเจ้าไปบําเพ็ญจากนั้นก็ได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตระแต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อนั่งขัดสมาธิดีนั่งขัดสมาธิ สมาธิจิตใจสงบแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วท่านไม่ให้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านให้พิจารณาทางด้านปัญญาเดินยังไงดานเดินปัญญาก็คือเดินพิจารณาร่างกายถ้าว่าเป็นพระในพระพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าให้พิจารณากรรมฐานหาเกศาคือผมโลมาคือขนนักขาคือเล็บทันตาคือฝันตาโจคือหนัง อันนี้คือท่านให้พิจารณากรรมฐานห้าแต่ครูบาอาจารย์ท่านให้แยกแยะให้ลึกเข้าไปกว่านั้นอีกมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเรานี่มีจริงอย่างนี้ไหมมีกระดูกเป็นโครงสร้างใช่ในร่างกายของเราในเมื่อใจของเราพิจารณาเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้ว มาพิจารณาแยกแยะดูร่างกายของตนเองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามห้วยใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายในเมื่อเราแยกแยะดูร่างกายของเราแล้วบอกว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเป็นของไม่มั่นคงนะอีกสักวันหนึ่งจะต้องพวกเราจะต้องอล้มหายตายจากขนาร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรา เราทำไมจึงไปลุ่มหลงว่า เ, เคหสถานบ้านเรือนที่พักพาอาศัยสามีภรรยาลูกหลานวงสาคนาญาติเงินคำทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เป็นของเราขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่จะต้องถูกเผาไหอย่างที่หลวงปู่ของเราที่นอนอยู่ในหีบในโลงอย่างนั้นแหละอีกวันพรุ่งนี้เราก็จะไปฉุเพลิง พวกเราก็เช่นเดียวกันไม่มีใครที่จะหลีกหลีหนีพ้นไปได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณาแยกแยะดูร่างกายกับใจใจกับร่างกายเห็นร่างกายของตัวเองเมื่อเห็นร่างกายของตัวเองจะไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาเแล้วก็ไม่หลงในร่างกายในเมื่อไม่หลงในร่างกายใจเราก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจนี่แหละย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใจ เราจะไปหลงอะไรโลกอันนี้มันเป็นของเราใช่ไหมใจโซเฟอร์พูดง่ายๆโซเฟอร์เป็นยังไงยศถาบรรดาศักดิ์มันของเราใช่ไหมโซเฟอร์พี่น้องลูกหลานของเราเป็นของเราจะไหมโซเฟอร์ทันี้เมื่อเราพิจารณาเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายสังขารมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเพิ่งพาอาศัยกันชั่วข่าว จากนั้นก็ใจก็เบื่อหน่ายคลายใจิตใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนี่อันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านแนะนำสั่งสอนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาจากนั้นก็พิจารณาเข้ามาถึงตัวผู้รู้คือใจขอ ง, ของเราเมื่อพาพิจารณาถึงตัวใจของผู้รู้แล้ว นี่แหละหลักธรรมคำสอนหรือว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้หาที่ไหนนะหาอยู่ที่ใจของพวกเราอยู่ที่ใจของเราทุกคนเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องหาข้างนอกหาอยู่ที่ตัวของเรามรรคผลนิพพานพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้ตัดสรูเมื่อพระองค์ได้ตัดสรูเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณร่างกายของพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้า ลูกน้องบริวารก็เป็นพระพุทธเจ้ากุฏิวิหารก็เป็นของพระพุทธเจ้าอันดับแรกคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสิ้นคือพระไทยใจของพระวกนั่นแหละได้เป็นพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราใจของท่านเป็นพระหรหันต์จากนั้นเมื่อใจของท่านเป็นพระหรหันต์แล้วร่างกายของท่านก็เป็นพระหรหันต์ที่อยู่อาศัยของท่านคือเป็นที่อยู่ของพระหรหันต์พาาระวาศาสนาของท่านคือเป็นที่อยู่ของพระหรหันต์ แต่ถ้าว่าคนที่มีกิเลสมันตรงกันข้ามนะถ้าว่าโจรผู้ร้ายไปอยู่นสถานที่ใดตรงนั้นะเป็นบ้านเมืองของโจรผู้ร้ายเป็นคนชั่วฮ ะ, ะเป็นคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะท า, าญาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะในหลักของพุทธศาสนานะหลวงพ่อจะเล่าเป็นชาดกและเป็นนิทานให้กับพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าหาว่าพูดอย่างนี้มันจำได้ง่ายแต่ถ้าว่ามันจำได้ยากเจ้าพูดเป็นเรื่องราวเนี่ยพวกเราอาจจะจำได้ง่ายขึ้นเอ่อสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะเอ่อคือพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่กรุงสาวัตถีมากที่สุดที่พระพุทธเจ้าเอ่อได้จำพรรษาเอ่อที่เอ่อ ท, ที่พระเจ้าเจ้าได้ตัดสู้ถึง45่สิพรรษา อยู่ที่กรุงสาวัตถีนี่25 25พรนศาได้แต่มันติดที่นับดูนะแต่อาจจะไปที่อื่นบ้างแต่ไม่ได้ติดต่อกันแต่อยู่นานที่สุดคือกรุงสาวัตถีวันหนึ่งพระภิกษุองค์หนึ่งท่านบวชที่วัดจากนั้นท่านก็ไปเที่ยวป่าไปเที่ยวทุดงพอไปเที่ยวทุดงศรัทธาญาติโยมเขาก็ถวายผ้า ผ้ามาประมาณเก้าเก้เเมตรผ้าประมาณเก้าเมตรชื่อของท่านชื่อว่าพระติดสะท่านมีชื่อด้วยนะพระติดสะท่านก็ไปเที่ยวทุดงเขาจัดทายาิโยมเขาถวายผ้าพอถวายผ้ามาแล้วท่านก็ได้ผ้านะมาท่านก็เอ๊จะไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้บ้านพี่สาวเพราะว่าท่านผ้าเก่าของท่านยังพอใช้อยู่ ยังไม่ยังไม่คลั่คล่ายัางพอใช้ได้อยู่ท่านก็เลยผ่าฝากผ้าไว้กับพี่สาวพี่โยมพี่เก็บผ้านี้ไว้ให้อัตมาด้วยนะถ้าผ้าอัตมาชำรดแล้วอัตมาจะมารับไปตัดเป็นผ้าจีวร น, นะโยมพี่เก็บไว้ได้ไหมโยมพี่โอ้ได้โยมพี่เขาก็เลยเก็บรักษาไว้ให้น้องชายที่เป็นพระนะต่อมาพระองค์นั้นก็พระติดสารนี่ก็ จีวรสำรุดพอจีจีวรสำรุดก็เข้ามาขอบอกกับพี่สาวพี่ยมพี่ผ้าที่อาตมาฝากไว้ยังยังยังอยู่นะยังท่านจะรับไปหลือเอออาตมาจะรับไปออจะไปทำจีวรเพราะผ้าอาตมาสำลุดแล้วออยมพี่สาวก็จัดให้พอจัดให้ท่านก็ได้ได้ผ้าพาผืนนั่นแหละออไปปัดไปสู่วัดป่าเชิดตะวัน คือวัดป่าเชตตะวันมีหลายคณะนะอย่างวัดมกุฏของเราวัดไอวัดปวเวนร์คอนะคณะเหลืองดังสีคณะเขียวคณะบรรจบเป็นจะมาลักษณะอย่างนั้นแหะอันนี้คือวัดป่าเชตะวันกขาค ง, งจะมีหลายคณะเป็นกลุ่มๆนะเพื่อจะได้ดูแลรักษากันจากนั้นพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มที่เป็นอาจารย์พระติดสานี่ก็ได้เข้าไปหาอาจารย์ อ, อาจารย์ครับ ผมได้ผ้ามาแล้วผ้าจีวรผมสำรุจครับขอให้ท่านอาจารย์ประกาศให้พระในกลุ่มของเรามาช่วยตัดเย็บจีวรให้ผมด้วยเธอนสมัยก่อนไม่มีจักเย็บผ้าใช่ไหมล่ะแต่ก่อนที่จะเย็บผ้าแต่ละผืนไดตรงลงแขกกันนะพอองค์ที่ชำนิชำนาญองค์ที่ฉลาดที่ตัดผ้าไดท่าก็ตัดพอตัดแล้วก็แบ่งกันนะต่างองค์ต่างเย็บลงแขกกันในคณะนะจากนั้นพระ องนี้ท่านก็ไปกราบพระเถระที่เป็นหัวหน้าพระหัวหน้าท่านก็ประกาศให้พระลูกน้องบริวารมารวมกันวันพุ่งนี้นเนอะมาตัดเย็บจีวรให้พระท่านนี้ท่านมาหาผมจากนั้นพระในคณะนั่นก็มาพร้อมกันเพอนักก่อนก็มาตัดประตัดผ้าจีวรพอมาตัดเสร็จแล้วก็แบ่งกันเย็บคนละขันละขันผ้า9้าขันผ้าห้าขัน เอออันนี้คือถ้าว่าคนที่เคยบวชจะรู้จั ก, กว่าผ้าจีวรเน่ยพื้นใหญ่นะเออมันมีผ้าห้าขันบ้างผ้าเจ็ดขันบ้างผ้าเก้าขันบ้างนิ่แหละพันก็แบ่งกันเย็บพอเย็บเสร็จแล้วก็พระองค์นีก็ไปบอกโยมพี่สาวแนะ่โยมพี่โยมพี่พพอาตมานิ่มนพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มาเย็บผ้าให้อาตมานะเออกำลังลงแขกกันอยู่คือถ้าหากว่าโยมพี่จะ กัุนาก็จัดอาหารเที่ยงอาหารเพลมาให้ถวายพระสงฆ์พระพระสงฆ์เย็บผ้าจีวรจีวรการเดินทางไกลไปทางเรืออยู่ด้วยการบินทบาทไม่พอฉันฉันปลำประฉันก่อนเที่ยงได้อันนี้โยมพี่โอ้ดีเดี๋ยวพี่จะจัดการให้จากนั้นลมพี่ก็เลยจัดอาหาร เ, เท่าที่ดีที่สดุดในตระกูลาเอามา ถวายเพนให้กับครูบาอาจารย์ที่ลงขันงแขกเย็บผ้าจีบอนผ้าทั้งหลายก็รวมกันฉันเพลซะก่อนแล้วก็เย็บผ้าจีบอนต่ออีกแต่องค์น้องชายเนี่ยไปอยู่เที่ยวป่าเที่ยวลงมานานอาจจะทานอาหาร อ, าอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างแต่คราวนี้พี่สาวทําอาหารโอ้อะเลอร่อยไนงะ คงจะเอาเต็มที่นะนะวันนั้นเหงือนกันนะพราอาหารพี่สาวทาํามาให้เพอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปย้อมผ้าพอไปย้อมผ้าจีบอลพอย้อมว่าโอ้สีก็พอดีสีพอเหมาะแล้วก็ขนาดก็พอเหมาะโอ้วันพรุ่งนี้เราจะได้ครองผ้าจีบอลผืนนี้แหละตั้งแต่ตัดผ้าจีวอลมาผืนนี้แหละเป็นผืนที่ถูกใจที่สุดอ่าผ้าอง น, น, นั้นนะผ่านปิดท่านติดสะนะ ท่านถูกใจกับผ้าจีบอลของท่านแต่นนั้นพอถึงเที่ยงคืนทถอะนพอถึงตอนหัวค่ำท่านปวดท้องทถ น, นี่พอปวดท้องชักดินชักงอชักดินชักงอพ้อนที่สุดอาหารเป็นพิษท่านก็เลยตายเออตายยังไม่สว่างท่านก็เลยตายพ่อตายเสร็จแล้วกับพระสงฆ์ทั้งหลายโอ้พระที่เย็บผ้าจีบรให้เมื่อวานเนี่ยตายแล้วออพอพี่สาวทราบขา่าวทอนนั้นโอ้มาร้องห h o ร้องไห้ชักดินชักงอเหมือนกัน เออมันมันเป็นยังไงจึงตายบ่ปวดท้องอย่างแรงพอในสุดพอตายเสร็จแล้วเนีพระสงฆ์ทั้งหลายเขาก็เอาเอาไปเผาคือสมัยน้อนสมัยน้อนนะพอพระตายแล้วเขาไม่ได้เก็บไว้นานนะเพราะไม่มีโฟมารีนไม่มีตู้เย็นฮะพอตายแล้วเขาก็รีบไปเผากลัวมันจะเหม็นฮะพอไปเผาพอเผาเสร็จแล้วก็พระสงฆ์มารวมกันเ อ, อเป็นหัวหน้าหัวหน้าคณะมารวมกัน คือสมัยพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยนะกิษุองคใดมรณะภาพลงไปสมบัติของพระองค์มรณะภาพจะเป็นบาทเป็นกีวรของใช้อะไรก็ตามเอามารวมเอามารวมกองกันไว้ตรงหน้าและคณะนั้นะคณะทีว่าหลวงพ่อเนี่ยว่าคณ ะ, อ, ะอันไหนก็ตามที่เป็นคณ ะ, อ, ะอย่างที่หลวงพ่อตั้งคณะคณะเกียลังสีคณะบวรคณะอะไรเนะี่ย จะมารวมกันในคณะนั้นพอคณะมารวมกันเสร็จแล้วอาจารย์ก็ประกาศเลยที น, นี้เออใครองค์ไหนเป็นคีราณอุปถากใครอุปถาใกล้ชิดพระองค์เนี้ยที่ตายที่ตายไปเนี้ยมีใครท่าองค์บอกว่าผมครับ เ, ออเป็นผู้ปถาเออเอาให้ท่านเลือกเอาก่อนออบริขารอาจารย์ของท่านท่านจะเอาบาตหรือจะเอาจีวรหรือจะเอาอะไรให้ท่านเลือกเอาก่อนเอาชิ้นหนึ่งเป็นที่พอใจของท่าน อันนี้คือการแจ ก, กบริขารในครั้งพุทธกาลท่านให้สิทธิ์กับผู้ที่ใกล้ชิดพระเถพระที่ท่านมรณภาพองค์นั้นแต่ทีพอท่านมารวมกันกำลังนั่งปรึกษาหาหรือกันเออใครเป็นกีฬากีฬานัอุปถามองค์นี้พระที่ตายเมื่อวานนี้ใครเป็นผู้ใกล้ชิดก ำ, กำลังพูดกันออพระก็บอกว่าไม่มีเพราะท่านท่านยังยังนมอยู่ ยังไม่มีอุปถาดเออท่านอย่างการพวกเราก็ออควรจะแบ่งกันนะใครผ้าจำรวจอีวอนชำรุดมากกว่าเพื่อนในกลุ่มของเราเนี่ยเออใครออบริขารชิ้นไหนที่ขาดชำรุดให้พวกท่านดูกันเชลักษณะ น, นอาจารย์ก็ประ ก, กาศถ้าองค์ไหนชำรุดมากก็ให้องค์นั้นกร <c oughs> คือเรียงกันตามลำดับตอนนี้ก็ขณะที่พูดคุยกัน วิญญาณพระองค์ที่ตายเมื่อวานเนี่ยนะตายเมื่อคืนนี่นะมาเกิดเป็นเลนนะคณะสตราย่าโจบังฟังดูซิขณะเป็นพระกรรมฐานนะมาเกิดเป็นเลนอยู่ในผ้าจีวรจีวรนผืนนั่นแหละเพราะว่าก่อนที่ท่านจะตายท่านก็โอ้วันพุนี้เราจะได้ของผ้าจีวรนผืนนี่แหละรักมากจีวรนผืนนี่รักจริงๆพอตายเขาไปวิญญาณเขาไปเกาะอยู่ในผ้าจีวรไปเป็นเลน เออไปเป็นเลนอยู่ที่จรีรเล่นไายพวกเราคงอยูน่นเป็นลเลนเป็นลายพอเป็นไปเกิดเป็นลายอยู่ที่นั่นทีนี้พระสงฆ์กับพระเทล่กับประกาศคุยกันแต่ว่าเลนตัวเล็กก็จริงอยู่แต่มันใจมันใหญ่มันรู้เรื่องทุกอย่างเลยว่าพระกําลังพูดคุยกันเลนตอนนั้นบอกว่าเอ้ยพระทั้งหลายจะมาแย่งจีวรของข้าพระเจ้าพระกําลังจะแบง่งแย่งจีวรของข้า ภาพตะนั้นเล่นตอนนั้นมันหวงจีวรใช่ไหมวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในผ้าจีวอลพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระคันตะกดุดีอยู่ห่างไกลออกไปพระพุทธรมีหูทิพใช่ไหมตาทิพแลว้วก็หูทิพพันหูทิพทั้งเออไม่ได้นะไปอานอน์ไปบอกให้พระเหล่านั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งแจกจีวอลให้เก็บไว้ก่อนนะไปไปรีบไปอานอน์พระอานอน์ก็รีบมา มาก็บอกมาเอ้ยท่านทั้งหลาย พ, พระพระุทธองค์มีพระบัญชาว่าให้เก็บไว้ก่อนนะไอ้ผ้านี้จะเพิ่งแจกจนกว่าจะได้รับคําสั่ง ย, ยังค่อยแจก เ, เดี๋ยวนี้พระองค์สั่งให้เก็บไว้ก่อนให้พวกท่านเก็บไว้ก่อนพระเหล่านั้นก็งงเหมือนกันนะเออพระพุทธองค์สั่งมาให้เก็บจีบรบริขารพระองค์นั้นก็เลยเก็บไปพอเก็บไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจ็วัน เจ็ดวันคือเลนตัวนั้นตายนะอายุเลนเนี่ยเจ็วันมันไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอะไรมันก็ตายพอตายเสร็จแล้วเนะ่ยเลนตัวนั้นอนะ่ะไปสู่สวรรค์ชั้นรุสิดนะเพราะอเนกสงสีอเนกสงภาวนาของท่านมีอยู่แต่ในขณะที่ตายแต่ใจมันไปคล้องนะไปคล้องสิ่งที่เอ่ที่ตัวเองรักสงวนหวงแหนในจุดนี้แหละสำคัญนะคณนะสัตยา ญ, ญาโจมนะเออย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เถอะนะ ก่อนที่จะตายไปห่วงเรื่องไร่เรื่องนาเรื่องรัวเรื่องสวนเรื่องเงินเรื่องในธ น, นาคาารนะเพอเพอจะไปเป็นตัวเล่นตัวไล่ไปเป็นหนูเป็นตุกแก่เป็นคางกิ่งจกตุกแกอยู่ท่องไร่ท่องนาที่บ้านที่เรือนนะั่นแหละให้ระวังให้ดีก็แล้วกันจุดนี้นี่แหละอันนี้คือพระเถระขนาดท่านภาวนาขนาดนั้นท่านยังไปตายเป็นเลนฮนะพอจากนั้น พออายุพอเจ็วันเย็นตอนนั้นก็เลยตายพอตายเสร็จแล้วไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธองค์ก็บอกอานน์ไปบอกให้พระเหล่านั้นแจกนะบริขารแต่พระอานน์ก็มาบอกท่านทั้งหลายพระองค์ที่ตายเจ็วันนั้นอ่ะที่เก็บบริขารไว้พระพุทธองค์มีพระบัญชามาแล้วนะให้แจกได้พระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยเอามาเอามาขามัดแจกกันแจกกันตามธรรมเนียมประเพณีนั่นอ่ะ พอแจกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ท่านก็สงสัยในใจเอทําไมองค์อื่นๆ น, น่แจกมามากต่อมากแต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่องค์นี้ทําไมพระุทธองค์จึงจึงห้ามไม่ให้แจกแล้วก็ให้แจกทั้งเจ็วันเพราะเหตุใดหนอเนยพระสงฆ์ก็สงสัยก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเออพระองค์ที่ตายในวันนั้นะเขาตายไปแล้วเขายึด มั่นเขายึดเหนียวเขาติด เ, ออเขาห่วงผ้าจีวรของเขาพอตายแล้วไปเกิดเป็นเลนอยู่ในผ้าจีวร น, นั้นถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายแจกผ้าจีวรเลนตัวนั้นก็คัดเคืองโกรธให้กับพวกท่านพวกท่านเป็นผู้มีศีลพอตายจากตัวเลนแล้วเขาจะไปสู่นรกเพราะนั้นเรามีเมตตาสงสารเขาเขาจะไปสู่สวรรค์ได้อยู่เพราะนั้นเราจึงไม่ให้แจกจีวร ให้ตายเขาตายไปก่อนเขาไปสู่สวรรค์แล้วเดี๋ยวนี้เพราะนั้นเราจึงให้แจกจีวรอของพระองค์นั้นพระสงฆ์ทลายโ อ, เ, อเรื่องความโลภเรื่องตัญหาตัวนี้นะน่ากลัวจริงๆพระเจ้าค่ะพุทธคัดชายตัหาตัวนี้คือความอยากตัวนี้นะ่ะมันน่ากลัวเหมือนกับสนิมที่มันเกิดกับเหล็กสนิมที่มันเกิดกับเหล็ก มั่นสนิมแล้วไม่ได้ทําให้เหล็กเจริญงอกเกยมิจะทําทให้เหล็กเป็นหลุมเสื่อมคุณภาพนี้ก็เหมือนกันกิเลศความโลภตัวนี้น่ะมันเกาะอยู่ในจิตใจแล้วจากนั้นมันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยไปสู่ตกนรกไปสู่อเวจีมหานรกไปสู่ชัตทิฏฉานไปเกิดไปที่ต่างๆได้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเราใจดวงนี้น่ะ มันมีความโลภอยู่ในจิตใจมันติดมันเป็นตัณหามันอยู่ในจิตใจเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงชำระกายจมจมสระใจของท่านอย่าให้มีกิเลสราคะโทโสสะโมหะนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาขอฝากไว้กับคณะัทธาญาติโยมนี้มาในพระไตรปิฎกนะที่หลวงพ่อพูดไม่ใช่นิทาน ธรรมดาสมัยครั้งพ่อทรายเจ้าทรงส่งธาตุขันอยู่สรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกถ้าว่าเราไปยึดไปติดกับทิงไหนพร้อมที่จะไปเกิดในในที่นั้นๆเป็นเสียเราชําระกิเลสราคะโทสะโมหะหมดจดจากกิเลสแล้วนั่นแหละไปเกิดนสถานตามที่เราต้องการเราจะไปสู่สวรรค์ชั้นไหน อย่างพระเจ้าพิมพ์พิสารเพื่อท่านมรณะภาพลงไปท่านได้เป็นพระสวดาบัตที่พระเจ้าพ ร, พระเจ้าซาสเจอรูสําเร็จโทษที่ไปขังไว้ถ้าพวกเราไปที่ประเทศอินเดียที่ตีนเขากิจกูดอันนี้คุกพระเจ้าพิมพ์พิสารพวกเราคงจะไปรู้ไปเห็นเมื่อพระเจ้าพิมพ์พิสารมาสวรรค์นคตไปพ ร, พระเจ้าพิมพิสารไปไหนพระเจ้าค่าพระสงค์ก็ถาม พระองค์บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดในชั้นตาจาตุมเอ๊ะทำไมท่านเป็นพระโสดาบันท่านจะไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดาววันหนึง่งไปชั้นพรมก็ยังได้ทําไมท่านจะไปเกิดในชั้นจาตุมชั้นต่ําสวรรค์ชั้นต่ําสุดพระเจ้าขาดเออพระเจ้าพิมพิสารมีญาติอยู่ที่ชั้ น, นจารุมไปเกิดมาเกิดมาหลายภพหลายชาติ เขาเกิดมาเขาไปอยู่ที่ชั้นจาตูมเพราะเมื่อเขาออกจากชาตินี้ไปเขาจะไปอยู่สู่สวรรค์ชั้นไหนก็ได้แต่เขาเขามีญาติญาติธถามญาติโกโหติกาเขาอยู่ที่ชั้นจาตูมเขาจึงกลับไปไปอยู่กับญาติของเขา เ, เมื่ อ, เ, อเมื่อพ้บุญเขาแล้วก็จะมาเกิดอีก เ, อ เ, อเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์เพราะท่านได้เป็นพระโสดาบันแล้วท่านไม่ตกต่ำํำ ถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายคนมีเงินมากใช่ไหมละ่ะเราจะไปอยู่อังกฤษอเมริกาประเทศที่จเจริญเจริญก็ได้แต่ว่าเรามีญาติพี่น้องอยู่เมืองลาวใช่ไหมอยู่เมืองลาวโอ้ยจะไปอยู่อเมริกาอังกฤษกฤ็เจริญก็เจริงอยู่อำหนวยความสะดวกทุกอย่างแต่สู้อยู่เมืองลาวไม่ได้เมืองลาวเรามีพี่มีน้องอยู่ที่นี่อบอุ่นกว่าลักษณะอย่างนั้นแหะอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าพิมพ์พิสารท่านก็เลยมาอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นจาตุมะ เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทัดไายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อเองเน้นหนักเรื่องของสินสินสําหรับฆราวาสก็คือศินห้าอย่างที่หลวงพ่ออธิบายศิลของพระสงฆ์ก็คือศินสองี่สิบถ้าผู้เป็นผู้มีศินแล้วจะต้องเป็นผู้มีธรรมถ้าว่าขาดศินแล้วจะขาดธรรมถ้าเป็นผู้มีศินแล้วจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองในธรรมเพราะฉะนั้นศิน เป็นบอ่อเกิดแห่งสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วมีเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาเพราะนั้นสินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้ให้ภาวนาพทุทโธทำยังไงวิธีการลบพ่อบางทีศรัทธาญาติโยมบางคนก็ยังไม่ไม่รู้วิธีการดาเนินนะ หลวงพ่อแนะนำนับตะกกไก่เลยคือพวกเราอย่างวันนี้ลนะ่ะ เ, เราจะทั้งนั่งสมาธิตอนหัวค่ำพอทาภาร ก, กิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำกินข้าวทานอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปในห้องพระไปห้องพระกับกราบพุทโธธรรมโมสังโฆกราบพุทโธกราบพุทธังธรร ม, มังสังขังสระนังคจามิ แต่หลวงปู่ล่าท่านแถมท้ายอองนะพุทโธธรรมโมสังโฆนิพานังข้าไปเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพาน อ, าอ่านว่าอย่างนั้นนะาจากนั้นก็ระหังสมาสัมพุทโธพระกวาร์แล้วก็กราบสวาขาโตัวพระวาตาธรมโมธรรมังน้ำมัสมิกราบสุปฏิปนโนพระกวตัวสาวกสังโฆสังขังน้ำมามิกราบ จากนั้นก็ว่านโม่ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนโม่สามจบจากนั้นก็พุทธัทงสรณะงคัฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งยืนยันถึงสามครั้งจากนั้นเราได้มากกว่า น, นั้นเราก็สวดอะไรก็ไดนะ้แต่เมื่อสวดจบลงแล้วนะเราให้แผ่เมตตาเป็นภาษาใจของเรา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 คือไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ให้จองร้างจองผานซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือเราแผ่เมตตาจากนั้นเพื่อแพรแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งขัดสมาธิแล้วทอนี้เอาการนั่งสมาธิให้หันหน้าถ้าเราอยู่ต่อหน้าพระเราก็หันหน้าไปทางองค์พระก็ได้แต่คณะเราอยู่ตามลำพังเราหันหน้าไปทางที่สว่างสว่างอย่าไปหันหน้าไปทางมืดอย่าเราลักนั่งในพั ในใกล้ต้นไม้เราก็หันหลังให้ต้นไม้ถ้าเรานั่งอยู่ในถ้ำเราก็หันหลังให้ถ้ำหันหน้าออกข้างนอกในเมื่อเรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วเราก็ปนมมือซะกอ่อนไหว้ควรูซะก่อนคือไหว้พระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโทธรรมโมสังโฆพุทธโทธรรมโมสังโฆพุทโทธรรมโมสังโฆในขณะที่เราปรน ม, มือจากนั้นเอามือลง พอเอามือลงเสร็จแล้วเราก็บริกรรมแหะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธไม่ต้องตามลมเข้าไปให้เสมือนว่าเรายืนอยู่ข้างประตูคนเดินเข้าไปเราก็รู้ว่าคนเดินเข้าไปคนเดินออกมาเราก็รู้ว่าคนเดินออกมาเราไม่ต้องเติอนเดินตามคนเข้าไปเราไม่ต้องตามเดินตามคนออกมาให้รู้ว่าคนเดินเข้าคนเดินออก นี้ก็เหมือนกันให้อกติจับอยู่ที่ปลายจมูกของเราลมลมเข้าไปในท้องเราก็รู้ว่าลมเข้าลมออกเราก็รู้ว่าลมออกนี่แหละพิธีการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจพอมันผ่านเข้าไปแล้วก็พดหายใจออกบริกรรมโถจากนั้นเราก็ถ้ามันยังเผลอไผลไปอีกให้บริกรรมพดโถให้ทีก็ได้ เอาความรู้สึกให้ดูที่ใจของเราเอาสำทับอยู่ที่ใจของเราพุทโถพุทโถพุทโถพุทธโถพุทโธพุทธโทพุทธโถ อ, อย่างนี้ก็ได้แปลว่าไม่ให้จิตใจของเราเผลอไปทางอื่นให้อยู่กับพุทโธจากนั้นจะค่อยกําหนดลมหายใจเข้าพุทธให้ใจออกโถแต่หลวงพ่อขอแนะนําอีกส่วนหนึ่งอย่างหนึ่งนะที่หลวงพ่อดูได้ผลซลวงพ่อบอกว่ า, าพวกเราเนี่ชอบอนับเลขเนับเลขหนึ่งสองสาม แต่ละวีแต่ละวันพวกเราใครไม่ได้นับเลขแต่ละวันคงไม่มี่อย่างน้อยก็ควักกระเป๋าออกมานับเงินซื้อสิ่งของช่ไหมไอันนี่เราก่อนนับดูสิหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสบถึงร้อพอถึงร้อยกลับมาอีกนับหนึ่งอีกถึงร้อยไม่เผล เนับเอาเองแต่โดยมากมันเผลอนะขันธาา์ัตยายาดโยมโลูกหลานนะพอนับไปในไม่ถึง5ถึงสีตรงบางทีมันเผล่ล่ะมันเผล อ, อยังไงหายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี้นะหายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี่คู่ขี้คู่นะออพอมันนับไปถึงไหนบางทีมันคู่ขี่ะนะท่เนนี่มันคู่ขี้มันคู่ขี่แบบมันเผล่ล่ะอับกลับมาอีกอย่าไปนับต่อ นับมามาอีกมันเผลกี่ครั้งวะนับถึงร้อยมันเผลกี่ครั้งวะนี่แหละอันนี้คือความใส่ใจของเราถ้าเรามีความมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมันจะไม่เผลอถ้ามันไม่เผลอนับหนึ่งถึงร้อยไม่เผลอแปลว่าสติของเราดีดีแล้วหนึ่งหนึ่งนาทีกว่ากว่านี่แหละอันนี้คือการฝึกสติถ้าเราสติดีแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดก็ดีนะขน้าราญาติโยมถ้าว่าพวกเรา สติมันขาดปั๊มปั๊มเปิบเ ป, เ, ปเข้าไปอันอันดับแรกก็เป็นอันใส่เมื่อซะก่อนนะต่อไปก็เป็นบ้าบ้าบ้าบ อ, งบองบองบอๆไปเ ล, เลยเพราะขาดสติมันไม่เป็นผลดีนะคนขาดสตินะเพราะฉะนั้นให้ฝึกสติเอาไว้เพราะนั้นขอฝากไว้กับพระนรทาญาติโยมลูกหลานนะการภาวนาไม่ใช่เพื่อประโยชน์คนอื่นใครเลยเป็นประโยชน์สาหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้ หลวงพ่อเองให้แนวความคิดมากหลากกลายในแนวความคิดในเรื่องใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดเพราะฉะนั้นการกล่าวสัมโมธนิยตถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาอันดับแรกหลวงพ่อได้กล่าวเป็นพุทธภาษิตว่ามรนังเม ภาวิสติขยะวยธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาตีคาว่ามรนังเมคำนี้หลวงพ่อเตือนบอกว่าพวกเราทุกทุกท่านที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดมีความตายเป็นเมื่องหน้าไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีความตายไปได้ทุกคนต้องตายมรนังเมเมแปลว่าข้าข้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งในเมื่อข้าจะต้องตายแล้ว ขยะวยธรรมมาสร้างคาราอั ป, ปมาเดนสัมปาเดทาติพระพุทธเจ้าสั่งว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ในเมื่อสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงข้าจะต้องตายแต่ว่าข้าจะต้อง ฝากคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินข้าจะต้องฝากคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไว้ในแผ่นดินอย่างหลวงปู่สายของพวกเราที่ท่านจากไปแต่ท่านก็แนะนำสั่งสอนสิทธิอนุสิต ท, ทำคำสอนของหลวงปู่สายก็ได้ประโยชน์สำหรับลูกหลานอยู่ในแผ่นดินเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรจะยึดแนวแถวครูบาอาจารย์ เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวผะ น, นั้นการกล่าวสมโภชธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรตรพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยบุญบารมีของหลวงปู่สายของพวกเราที่แนะนำสั่งสอนลูกหลานแนะนาสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดี